ทำเพาะคือฟังเรื่องของเหล่านี้เรื่องของเราก็มีกายมีใจมศึกษาเรื่องการเรื่องใจแหล่งศึกษาเป็นแหล่งเรียนรูอ้อายอันกวงศอกเยาวาหาคืบเรียนให้จบถ้าเรียนที่นี่มันจบถ้าเรียนในโลกมันก็ไม่จบ เรียนเรื่องกายเรื่องใจในี่จบเรียกว่าสถาบันถ้าจบเรื่องกายเรื่องใจถึงมรรคถึงผลเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายเหนือทุกข์เหนือสุขเหนือโรคถ้าเราไม่เรียนโลกก็ถูกโรคทักถมอากายในใจนี่ศึกษาเข้าไปมีสติเข้าไป กายเป็นตำลาใจเป็นตำลาสตาิเป็นนักศึกษาลางอย่างก็เรียนรู้ลางอย่างต้องทำให้เป็นรู้แล้วทำไม่เป็นร่าโบราณท่านว่าไม่เรียนไม่มีรู้แต่สีเลียนกระเป๋าไดไ้อะไรจำไม่ได้ ต้องมีเรียนมีลูกอยลู่เราทาไม่เป็นลู่ว่ากายใจนี่เป็นเป็นลูปเป็นนามมันมีลูปลู่นามมันมีขันห้ามีธาตุสีมีขันห้าระชมกันเข้าเรียกว่าลูปนามแตเรียกว่ากายว่าใจมันจนมันแคบ ถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามมันคว้างใหญ่ไพศาลมันแตกฉานรูปนามนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนนมันมีแปดหมื่นสี่พันอย่างในรูปในนามนี้มีกจริญพันห้าตันหาร้อยแปดแล้วก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยง ตกอยู่ในความเป็นภูข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนมันมีที่สุดของโลกของนามแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอะไรต่างๆที่เกิดอยู่ในบนรูกบนนามนี้เรียกว่าวัตถุอาการวัตถุคือตาหูจมูกเลิ้งกายใจรูปรสกลิ่นเสียง อาการคือมันเกิดขึ้นได้ระหว่างวัตถุไฟนอกไฟในตากับลูกหมูกับเสียงมันมีอาการเกิดขึ้นถ้าวัตถุสองอย่างนี้สัมผัสกั น, นก็ไปไกลถ้าเป็นอาการเกิดขึ้นถ้าไม่ลูกไปเป็นพบเป็นชาติเป็นสุขเป็นทุกข์ เป็นพวกเป็นชาติเป็นเปรตเป็นชุลกายเป็นสารโลกเป็นนิริชนเป็นพวกภูมิต่างๆได้ในอาการที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่บอยู่บนลูกันนามนี้มีมากในรูปในดังนี้มันมีอาการทำให้เกิดอะไรได้ เกิดผีเกิดกลัวเกิดต้าเกิดเกลียดเกิดโลภเกิดหลงด้หลายอย่างอาการที่มันเกิดขึ้นจากวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นเพราะไม่มีสติไม่มีสติเป็นสิ่งคุมกำเนิดของอาการเกิดปล่อยให้มันเกิดไปในครื่ออะไรหลายหลายอย่างในรูปในนามนี่ ในเหมือนสัตว์เดรัฉานไปเป็นผู้ภูมิต่างๆก็มีสติก็เห็นเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นก็ได้ประโยชน์จากรูปจากนามนี่เพื่อนเห็ น, นไม่เข้าไปเป็นถ้าไม่เห็นก็เป็ น, ปนมันก็มีเป็นทางแป กลาเป็นมันก็มืดมันตันทางมันตันทางมันชุดตรงทางมัาไปถึงมันมีที่สุดเห็นทุกข์ทุกข์ก็ไปไม่ได้ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันโกรธเห็นมันหลงมันก็จบเรียกว่าได้ประโยชน์จากภาวะได้ประโยชน์จากอาการที่มันเกิดขึ้นระหว่างรูประหว่างนามเนี่ย จะต้องหัดทำให้เป็นรู้แล้วทำไม่เป็นเวลามันหลงให้รู้เวลามันคิดให้รู้เวลาตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นในรถให้รู้อย่าให้มันมีช่องว่างตรงนี้ถ้าไม่รู้มันก็มีสมมุตมิบัญญัติชอบว่าไม่ชอบ บัญญัติเอสมมุติเอาในความชอบในความไม่ชอบว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ในสมมุติก็เลยกลายเป็นภพเป็นชาติเกิดดับเกิดดับเกิดเจงนีแต่ชาติอันเกิดจากอาการต่างๆด้วยภพชาติเป็นวัตตะสงสารเหมือนอยู่ในห้วงน้ำโขคะ ขึ้นฝังเสาะเห็นไม่เป็นเสาะมัก็ขึ้นฝังเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์หรอกขึ้นฝังเห็นสุขให้เป็นผู้สุขขึ้นฝังไม่ต้องงุดต้องดมต้องโผต้องแหวกต้องว้อยอยู่ในอาการต่างๆนี่ทำให้เป็นแบกป้ายให้เป็นเห็นเรีวยว่าทัศนานุตริยะ อยากว่ายออกไปขึ้นพยายามขึ้นให้รู้อย่าไปให้มันเป็นสมมุติเหตุผลอาการต่างๆจาไปไกลขึ้นซะเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นโกรธไม่เป็นผู้โกรธขึ้นฝังมันจะชำนานใช่ทุกข์เป็นทุกข์ยังไม่ขึ้นฝังยังมุดอยู่ อยู่ในโอคะในห้วงน้ำในวัตตะเป็นกรรมต่อไปเป็นกิเลสต่อไ ป, เ ป, เ, อไปเป็นวิบากต่อไปเรียกว่าวัตตะกิเลสกรรมวิบากมันตั้งต้นจากกรมกรมกรรมแล้วเกิดกิเลสกิเลส เ, เกิดวิบากเราใช้อะไรมันก็ติดเรื่องนั้นใช่มันหลงก็ติดเรื่องหลง S <S <an> ใช่มันโกรธก็ติดเรื่องโกรธใช่มันรลกก็ติดเรื่องรลกใช่กลัวเกิดเรื่องกลัวใช่กล้าเกิดเรื่องกล้าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจึงหัดให้เป็นนะก็ไม่หัดเป็นไม่เป็นน่ะโลกมันมีรสชาติความสุข ก, ก็มีรสชาติความทุกข์ก็มีรสชาติความโกรธก็มีรสชาติความรักความชังมีรสชาติ แต่โลกต้องติดโลดแบบนี้เราจึงมาอยู่เหนือโลกอันนี่ซะคนกระแสทวนกระแสการเห็นไม่เป็นนี่มันทวนกระแสถ้าไม่เห็นเรียกว่าไม่เห็นเรียกว่าไม่มีโอกาสเรียกว่าบัวได้น้ําเป็นอาภรรพบุคคลเหมือนบัวได้น้ําบางชีวิตก็ไม่มีโอกาส เราไม่หัดไม่สนใจไม่สนใจมุดอยู่ดำอยู่เป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาไปชีวิตทั้งชีวิตฟรีไปเลยเฉื่อชาติที่เกิดมาไม่ได้ประโยชน์จากชีวิตไม่ได้ประโยชน์จากกายจากใจอันกายอันใจนี่มันมีมัก ม, ม, มีผล ไม่มีชัตอื่นประเภทอื่นที่มีมรรคผลเหมือนกับคนเรามันมาเพื่อการนี้โดยตรงเกิดมาเพื่อการนี้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อแก่เจ็บตายไปเราจะต้องเป็นทุกข์นทุกข์เพระเรื่องโลกนี้ไม่ได้ให้มันอยู่เหนือโลกซะหัรทร ม, มีสติมันเป็นตัวศึกษามันเป็นสูตรอยู่ รูปในดามนี้ไม่เป็นสูตรสูตรกายศักว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวคนตัวตนโลเขาตันเป็นสูตรไปแบบนี้มันจึงถูกสองห้าต้องเป็นสิบสองสิบก็เป็นยี่สิบส 20, ใช่ไหมหรม่สูตรอย่างนี้ถ้าเป็น 30, สามสิบสองห้าเป็นสามสิบสองห้าเป็น1้0ยมันก็ไม่ถูก อะไรที่มันเกิดจากกายมันจะ ก, กว่ากายไม่ใช่สัตวปุกคนัวตนโลกเขามันถูกความผิดมันก็มีในรูปในกายเนี่ยแต่ความถูกก็มีแต่เราทําไม่เป็นเหมือนกับครั้งทีสสอนเราไม่ได้เรียนถ้าเราเรียนแล้วก็ทำได้ําเป็นโดยทาเป็นทาเป็นถ้าทไม่เป็นก็หมายเป็นอะไรก็ตามในโลกนี้ ชีวิของเราน่มันมีสูตรจะนี่กายเชว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถูกต้องที่สุดต่อกายเป็นกูสุขเป็นกูทุกข์เป็นกูร้อนเป็นกูหนาวเป็นกูหิวเป็นกูปวดเป็นกูไม่ถูกต้องเลยเป็นภาระเป็นการบ้านต่อไปเฉลยไม่ได้เมื่อเฉลยไม่นก็เป็นหนี้ เป็นจำเลยผงกายเนื่องกายมันจะบังคับถูกตัดสินไปแล้วต้องเก่เป็นทุกแก่เป็นทุกเก็บเป็นทุ ก, ก, ท ก, ก, ทกตายเป็นทุกมันตัดสินไปเลยถ้าไม่เฉลยตัวเนี้ยเหมือนพิพากสาตุลาการเราเป็นจำเลยต้องแค่เอาตัวให้โลดอย่าเป็น ทุกจองจำไปไ ม, ม, ม, มัดได้มัดมือมัดศอกจุกจองจองจำไปคุกกระลาเอวันใจวันเก็บวันตาเรามีท like ุกข์เป็นมาหน้าแท้ๆดูความทุกข์ย่่งเอาแท้ๆทำไหนล่ะการทําที่สุดแต่งกองทุกจะปรากฏดแกเราเราจึงมาเรียนตรงนี้กายสวรรค์กายไม่ใช่สัตว์ปุกคนัวตนเราเขาเนี่ย แต่เรียนที่ไหนก็เรียนที่นี่อาจารย์ใดประเทศใดศาสนาไหนเอคือกายคือใจเนี่ยปัญหาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันหมดปัญญาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันหมดปัญญาที่ได้จากกายจากใจเขเรียกว่าความรอบรุ่นในกองสังขารคือกายสังขารกิจสังขารนี่เขาเรียกว่าปัญญาไม่ใช่ปัญญาจบจากศาสตร์ต่างๆแต่เรื่องเป็นปัญญาอาชีพ เราไปใช้งานใช้การได้พระพิจ้าสมัยเป็นเจ้าชายจบมาตั้งสิบเจ็ดศาสตร์ยังไม่เป็นพระพเจ้าวผมมาเรียนสูตรนี้ในวันเพ็ญเดือนหกน่ะวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยจะมารอบอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่ 60, สองพันห้าอยหกสิบเไรก็ไม่รู้จะมาได้ปีมาแล้ว แล้วก็มีโอกาสได้เกี่ยวข้องในการตัดจะลูกของพระเจ้าเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราหน่อยแค่เราไม่รับรู้เป็นเรื่องของเราทำยังไงพระเจ้ายังได้ตัดจะลูกก็เอาสูตรเนี่ยเอาตัวอย่างเอาศาสชดาเป็นทูเดียนตามพ่อก่อตามครูไปทำให้มันเป็นน่ะน ป็นเรื่องของเราการตัดสัลุของพระเจ้าอย่าไปฉละสิทธ์ถ้าไม่ใช่ออกมาเป็นเรื่องของเร า, เราเก็ใจเจ็บตายอนโลกนี้ขอเสนอตัวเราเราสักคนหนึ่งที่แจาให้ทุกไม่เป็นทุกแต่ให้ความโกรธไม่เป็นความโกรธเราทำเรื่องนี้ถูกความทุกข์ยัางเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้ว จำเลยตัดสินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดแต่ออะไรคิดมาก็มีเี็บเจ็บตายในตัวเสร็จหนีไม่พ้นอะไรคือมันจะเกิดเราใช้ชีวิตอย่างไนให้คอยออกรูปเป็นทุกข์เวทน า, าเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์ปัญญาณเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้เหรอทาไมจะเป็นทุกข์เพราะตัวเอง ลูกจะเป็นต้องเป็นทุกข์หรอเวทนาต้องเป็นทุกข์หรอสัญญาต้องเป็นทุกข์หรือสังขารต้องเป็นทุกข์วิญญาณต้องเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่ได้หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือลูกมองไปทำประโยชน์เหมือนพื่งแพรขี่ข้ามฟากดีมันมีลูปไหมจะได้ใช้มันจะได้ใช้มันให้มันข้ามฝั่งขี่ไปข้ามฝั่ง บอกโรานท่านว่าจิตเหมือนนายกายเหมือนเหลือสติเหมือนถังเสือปัญญาเหมือนไม่พายปล่ยไปให้มันขึ้นฝังมันก็มีมาให้เราใช้แทๆ้ๆใช้ให้มันขึ้น่ังถ้าไม่มีรูปไม่มีนามมันก็ไม่มีอะไรใช่มันจึงมาให้เราใช้โดยตรงเพราะแม่เราอาจจะทำไม่ได้ แบนพัลหลุดบางคนได้ทำไม่ได้เรานี่มาแล้วเนี่ยเรามาทำเรื่องนี้ดูมาทำให้มันสมกับกําเนิดที่เกิดขึ้นมาจากพ่อจากแม่ให้มันคุ้มอันเพื่อการนี้โดยตรงชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่เพื่ออื่นเลยจลงใจคุ้มค่าที่ได้ชีวิตมาเป็นเรื่องเดียวกันเลยแท้นั่งอยู่นี่ทุกชีวิตในโลกนี้อันเดียวกันเนี่ย ไม่น่าจะให้มีปัญหาอะไรต่างคนต่างศึกษาดูก็ไม่มีปัญหานี้แต่ปัญญาอยู่กันเป็นสงบร่มเย็นได้ต่างคนแต่มาดูแลตัวเรานะให้ดีๆเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือดูแลกายใจให้มันดีปลอดภัยจะ้ม่เกิดทุกข์เกิดโทษจะปล่อยทิ้งองไร เราจึงมาดูอย่าปล่อย ม, มันหมกคุ่นคุณคิดไปเห็นไหมเวลามันคิดไปเวาาลามันสุขเห็นไหมเวลามันทุกข์เห็นไหมที่มันทุกข์จากอะไรมันอยู่ต้องหน่อยเหตุมันมีไม่ใช่ไม่ ม, มีเหตุพระเจ้าสอนเรื่องนี้เท่านั้นเหมือนพระสาลีบุตรพบกับพระอาจาริ์ชะอัจารีเพิงบวชใหม่ พระที่บทอำนาจเสารังหาขัวจาร์เห็นใจคิดเดินวินทาบาทเกิดชอบเอ๋สัมเนธลูกนี่มาจากไหนเนาะท่ า, ทานรู้ทำอะไรทําไมท่านจึงสงบสยี่อมต้องมีสิ่งที่ดีอยู่กับพระสัมเนธลูปนี้่เราจะขอถามท่านดูขณะ น, นั้นยังวินทาบาตอยู่ไม่ควรจะไปถามขณะที่วินทาบาต สารีบทเลยค่อยๆตามไปพอะวินทบาทคนหมู่บ้านคาเมก็ไปรับบาตรับบาตพระคุณเจ้าประสงค์ฉันที่ใดบอกข้าพระเจ้าด้วยจะจัดที่ให้ฉันก็ไปได้ที่ฉันไม่มีบัสไม่มีกะติสมัยก่อนเห็นตาเห็นดงอยู่ที่ไหนก็แวะเข้าไป สารีวตเป็นมนุษย์เรียกว่าอุปติสสะโดยจัดที่ให้นั่งฉันฉันเสร็จแล้วสารีวดเข้าไปหาถามพระคนเจ้าท่านมาจากไหนท่านเป็นใครท่านลู่ทำอะไรใครเป็นครูของท่านอาจารย์ีก็ตอบว่าสารีวดบอกให้พูดให้ฟังสักหน่อยแสดงทำเก่งข้าพระเจ้าอย่าหน่อย อาเจชีก็บอกว่าอาตมาเพิงบวชใหม่ยังไม่แสดงอะไรได้ถึงศึกษาใหม่เอาได้แต่น้อยก็ดีเฉพาะในน้อยไม่ต้องมากอาชจคีก็พูดขึ้นว่าเยธรมมาเหตุกปภวะเตสังเหตุตรงตถาคตโยสัจะยุโลโทจะเอวังวาทีมหาสมโนไงว่า ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุและดับก็ดับที่เหตุพระศาสดาของเราสอนอย่างนี้เรามาลู่หลวงนี้น่าเท่านี้สารีวุตรวงตาเห็นธรรมว่ามันเกิดแต่เหตุจริงๆจะกราบอาจะชิขอเป็นสารณาอันกระเจมอาจะชีบอกว่าอย่ามากราบข้าพเจ้า ศาสตราเขาอาไปอยู่ที่พุทธเจ้าให้ไปกราบพระพุทธเจ้าเป็นขัวอาจารย์ศาสตราของเราสาธุโสด harma เดี๋ยวนี้พระศาสดาอยู่ที่ใดโน่อยู่เราจะคือนโน่นตั้งแต่นั่นก็นาหาเหลือก็เลยแยกยายจะคิดตามหาพุทธเจ้าที่คงเราจะคืนไปที่นั่นเลย จนได้บวชเนี่ยคณะสาวกไส้ข้อยืนอยู่เนี่ยยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าสาวกเสยหน้าบอดีไปชวนโมกคันลานะเพื่อนกันแต่ก่อนเป็นหนุ่มเจ้าสํารานเออเทิรที่ใดไปที่นั่นทีจีที่ปู่ทที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นลําที่ไหนไปที่นั่นอยู่แถวนารันทาเป็นลูกเศรษฐีกูข้าวกูน้ำ ในสุดประวัติไปตั้งมหาวิทยาลัยนันทาวัดใหญ่ที่สุดจนวัดนั้นมีพระมากในแค้นนั้นรัฐบาลไม่ให้เสียพรเสียก่อนเลยให้บารุงวัดมัดมันใหญ่บารุงพระสงฆ์ไม่เจียบพระเสียก่อนีวนที่เป็นตาอยู่เนี่ยมาจากนารันธานาของสาริบุตร เอาแบบขดดาจีวรที่ตัดเป็นกระดูกเป็นร่องนนะ้ำน้ำไหลบนนานะประเทศอินเดียเนะี่ยเขาไม่ขุดคลองเอาคันนาเป็นร่องน้ำไปไปทั่วอ่าสารีบทก็เลยครุปปัจจี้เราอเรื่องนี่เหตุผลเท่านัา้นลูกจึงเกิดแต่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุตั้ เออเราได้เห็นว่าอาชกิอยู่ที่ใดสารีบทจะนอนหันจิตเจาะปทางนั้นจะสอบประวัติจุเสวะเวลานี้อาชกิอยู่ทางทิศไหนก็ อ, อยู่ทางทิศเหนือสารีบุตรก็หันหัวไปทางทิศเหนืออยู่ทิศใต้ก็หันหัวไปทางทิศใต้เขาลบมีเท่านี้มัมีเหตุเท่านี้มันหลงเพราะไม่รู้ก็เห็นไหย แล้วหลงเป็นหลงไม่ได้แก้ที่เหตุแต่ไปคุมที่ผลทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุเห็นเรียกว่ามันทุกเห็นมันทุกเรียว่าเห็นไม่เป็นทุกไม่เป็นผู้ทุกเลือกไปผลทุกเป็นผลเหตุมันหลงไหมมีสติเห็นก็ดับดับทุกไม่ไปทุกดับหลงไม่ให้หลง เปลี่ยนหลงไม่หลงเปลี่ยนทุกข์ไปทุกข์ถ้าทุกข์ไม่เปลี่ยนถ้าหลงไม่เปลี่ยนโกรธไม่เปลี่ยนก็ไปไม่ได้ก็โซ่ไม่แก้กุญแจไม่ไขไม่ได้หลุดเราหลุดออกไปตั้งแต่กายสภาวะกายไม่ใช่จัตบุคคลตัวตนเลาเขาเนี่ยสูตรมันอยู่ตรงนี้แก่ตรงนี้เวทนาจากเวทนาเวทนาคือสุขกทุกข์ อย่าให้สุขเป็นสุขใจทุกข์เป็นทุกข์สักแต่ว่าสุขแต่แต่ว่าทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโราเขาใส่ใจตรงนี้สักหน่อยอย่าพึ่งหน้าบูดนะเบื่งอย่าไปเอายากเอาง่ายเพรามันยากอุ้ยไม่ชอบไม่ใช่ทำง่ายเออดีดีไม่มีสติถ้าสิธิเห็นมันก็ไม่ไหวไม่ไหาไม่ดีไม่ไปดีๆ แต่ทีมันเห็นก็เห็นเท่านั้นเด็กอันเดียวไม่มีค่านี่มันง่ายๆอย่างเนี้ยิงปฏิบัติได้ทุกคนทุกชีวิตไม่ยากถ้าหลงเป็นหลงรู้เป็นรู้ถ้าหลงก็ไม่ชอบถ้ารู้ชอบถ้าสงบก็ชอบไม่สงบไม่ชอบไม่ใช่วาใช่เห็นเหตุไม่ใช่เห็นเป็นมาก จึงแก่ตรงนี้ได้ใจใจชั่งหน่อยอย่าเพิ่งไปพอใจไม่พอใจอย่าไปเอาเหตุเอาผลมาเกี่ยวข้องให้สัมผัสหลักปฏิบัติเนี่ยต้องสัมผัสไม่ใช่เหตุผลเหตุผลใครก็มีอย่างพ่อจิตตธรรมเนี่ยนั่งอยู่แต่ต้นโพเขา อ, อยู่ประสาสามลูทําไมเรามานั่งอยู่เนี่ย มันบ้าหรือมันอะไรกันเนี่ยไปอยู่ภาษาสังรูมัอยู่นี่ยุงมันกัดฝนตกก็เปียกเราเป็นบ้าเลยเป็นอะไรไหนไอเหตุผลน่ะก็กลับไปบิณฑพเลยไม่อยู่แล้วแลเวลานี้เรามาเลยมาคิดเอาเหตุแล้วผลเรามาทำมันสุกรูม้มันมันทุกรู้มันเนี่ยเกี่ยวข้องตรงนี้ตั้งต้นอยู่ตรงนี้เออเว่าถทวนก็เฉลี มันต้องทวนเช้าหน่อยอย่าให้สุขมันสุกเห็นมันสุ ข, สขทวนแล้วมันทุกขเห็นมันทุกขทวนแล้วมันเตียดมันไลก่กรทําไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเอย ง, ง่ายง่ายมันจบง่ายง่านอันเป็นมันยากกว่าใอ้โกรธเป็นโกรธ ด, ดมันก็ยากไกลๆลราเกินถ้าให้<ม>ความโกรธเป็นไม้โกรธมันก็จบ ลองสัมผัสโูคแบบนี่ลองดูสัมผัสลองดูไม่ใช่รู้ใครก็รู้ว่าโกรธไม่ดีทุกไปดีแต่ไม่หัดมันก็ยังโกรธอยู่รู้ไม่ใช่ไม่ได้มหัดให้มีสติจ้าววิธีหัดเราก็ง่ายอยู่แล้วอุปกรณ์ครบท้วนเครื่องทุน่นแรงเคลื่อนไหวมีสติตั้งไว้เรื่องกรรมฐาน กรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งตั้งไว้มาหลุดออกไปกลับมาตั้งไว้เหมือนแม่หัดลูกให้นั่งตั้งไครตั้งไครตั้งไครจับลูกนั่งตั้งไครตั้งไครตั้งใครพอลูกนั่งแล้วลูกนั่งได้หลายนานแล้วก็แม่ก็ตบมือจูบแยมลูกก็สนุกพอลูกไปนั่งตั้งไครตั้งไครตั้งใคร บางทีลูกไม่คานเต้าโอย่างเอาไฟจุดคลนเต้าโบผลหกไยแทง่งใช่ไหมฮะ <laughs> อ้ลูกคานเต้าวบย่างเอาไฟจุดกลนเต้าบผลหกไยแท่เดินไปบางทีบางไปแม่นั่งอยู่ไลูกกระเดินม า, ม า, มาหัด่วนกระแสถ้าเราไม่หัดอ่อนเอ อนะ่อนแอ A, เรียกว่ากรรมมัจจุขานิกายโยคไปไม่ถึงมรรคถึงผลไม่มีสองอย่างกรรมมัจจุขานกายโยกอัถฐกิริมัฏฐาโยกก ร, รมมัจจุขานกายโยกคืออะไรมันโกรธโกรธไปเลยอ่อนแอ A, ไปให้ความโกรธเป็นความโกรธให้ความทุกข์เป็นความทุกข์อ่อนแอไปเลยกรรมคืออ่อนแอ ไหวไปตามอัตถะยิมถายโยกตึงเครียดมันผิดไม่ชอบมันถูกชอบอัตถะมันเอาผิดเอาถูกอยากงั้นมันสงบมันพุ่งซ้านมันนี่พุ่งซ้านหน้าดําคําเคียดแต่วันไหนไม่พุ่งซ้านริมแย้มใจไม่ใ ช, ใ ช, ใช่อันนั้นเรืออัตถะยิมถายโยกเป็นไปตามอาการต่างๆใช่ไม่ได้ เป็นทางไม่ถูกทิศถูกทางไม่ถึงกุ่หมายปลายทางที่เป็นกลางเป็นมรคคือเห็นเนี่ยมันยาก ไ, ไ้เลยไม่ได้เดินจะเข้าแล้วมรค่ะไม่ไปท่องหนังสือไม่ต้องไปท่องหนังสือนั่งยิ้มยิ้มหัวโลมันก็ได้มันสุกเห็นมันสุกเนี่ยไม้ที่สุดเลยมันทุกข์เห็นวันทุกข์มันหลงเห็นมันหลงเนี่ยนอนอยู่ก็รู้ได้นั่งอยู่เดินอยู่ อะไรก็ได้ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะ่ะแคอทำถูกแล้วนะัน่องอยู่เดนอยู่เวลามาหลงก็ไม่อยูนะไอ้หลวงเดินอยู่นู่นต้องสร้างจาาังบวะมันหลงได้ทุกโอกาสล้วเราไม่หัดมันถ้าหัดบางก็เราลู้ทุกโอกาสทังนันไม่ใช่จะมานั่งไม่ทไม่หยุดไม่หย่อนไม่ใช่ ลองดูมันดีๆเนี่ยว่าแต่เรามีสติเป็นเจ้าของตั้งไว่ก่อนหายใจก็รู้ได้เนี่นะความรู้สึกตัวเนี่มันไม่ได้ยากอะไรจะมาใช้ใดทุกอย่างกายนี่เป็นวัสดุอุปกรณ์อย่างดีหลายอย่างเกี่ยวกับกายหายใจก็เป็นกายเดินก็เป็นกาย ตาเห็นลูกก็เป็นกายหูยเห็นเสียงก็เป็นกายให้มันโลภให้มันรู้เให้ใช่เถอะใช้ความรู้จะตัวเนี่ยอย่าไปไม่ใช่แต่ใช่ยิ่งมากหูบราณตว่ารักอยาวให้บัน่นรักสั้นให้โตโตไว้ก็สเสด็จมันจะสัน้นความมงจะสั้นลงนักยาวก็ให้มัน บั่นตัวหลงกัให้สติบรญยายนักษัน้นไหนโตโตวความรวยให้ความหลงมันชั้นหลงความทุกข์มันชั้นหลงเนี่ยไม่ใช่แบบเราทำไม่ได้อย่าไปอ้างว่าแกว่าหนุ่มอ้างว่านักปวดไม่ใช่อ้างว่าเป็นฆระวาสไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับแกกับหนุ่มไม่เกี่ยวกับเพศกับวัย มันอยู่กับการกระทําของเราเนี่ยใครก็หลงเป็นใครก็โกรธเป็นทุกเป็นความโกรธไมอยู่คงแก่คนหนุ่มกิเลสตัณหาไม่อยู่คงแก่คนหนุ่มอยู่กับทุกชีวิตอันมีรูปมีนามเนี่ยเราไปเฉิดจะไงแล้ว เ, ททงงลเราไปเฉ็จแล้วนี่ก็เท่ากับปฏิเฉิดตัวเองมีความทุกข์เป็นบ้ังล่าแด่หลอนถูกความทุกข์ยั่งเอาแน่นอน โกธจนต่อยลงจนต่อยทุกจนต่อยแน่นอนถ้าไม่เปลียนมันจะมีค่าเลยชีวิตเรานี่คือการศึกษาแหล่งศึกษาเราจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันไม่โทษไม่ทิ้งกันมีเพระเป็นเพื่อนอยู่ที่นี่ไม่อยู่เพื่อสงฆ์เป็นตัวเป็นตนอยู่มีคำสอนก็มีอยู่ สติก็มีอยู่เดี๋ยวนี้แม้มีอยู่กับพระเจ้าตั้งหลายพันปีมาแล้วก็อยู่กับเราอันเดียวกันแท้ๆเนะี่ะไม่ใช่คนละอย่างคนละพันอันเดียวสติคือรู้สึกแลาจะได้อันเดียวมารู้สึกก่อนพูดก่อนทาก่อนคิดเนาอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยการพูดการทาการคิดก็มีรูปม่นามเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ใช่พูดผีปีศา มีที่เกิดมีที่ดับมีเหตุมีผลอยู่มีเหตุมปปัจจัยอยู่มันต้องทำได้แน่นอนอยังพยายามที่จะชักชวนให้มีสถานที่แบบนี้มาฝึกหัดมันช่วยกันมาได้ไม่แต่เป็นเพื่อนกันไม่ต้องเรียกว่าครูว่าอาจารย์เรียกว่าเพื่อนมิตรันญาณมิตรสังหาย จะไปกลัวเป็นเพื่อนกันแท้ๆเกิดเจ็บเจ็บตายเหมือนกันเราทำไงฉุก ด, ด้วยกันทุบโ ด, ดยกันพออยู่กันได้สี่สิบวันเนี่ยวันที่ยี่สิบเนะี่ยยไปเอาสี่สิบวันนู้นเอาเดี๋ยวนี้ดีกว่าอย่าไปกูรู้เอี่บวันล้รอสี่สิบวันจะเกเอายังไงชุกหวันชีวิตของเรา เอาทุกวันเลยรู้ทุกวันไปให้มันมีสติไปจะไปต่อรองอะไรกำหนดขัดมันประกันพุ่งไม่ได้ก็ซับเข้าไปรู้เข้าไปให้มันลําดับลํานาไปอย่าให้มันหาติดตามไปอะไรที่เราติดตามมันมันทันงานเหมือนเราไปเรียนหนังสือถ้าติดตาม มันก็ทันเรียนทันถ้าไม่ติดตามเรียนไม่ทันต้องซ่อมต้องอะไรใหม่การงานก็เหมือนกันทําอะไรที่ติดตามการงานมันก็มันก็ชํานาญได้ทําล่ทํานาก็ชํานาญแล้วนั่งอยู่บ้านก็เห็นแล้วเห็นนาแล้วตอนนี้จะไปปิดหน้าตรงนั้นเดินผ่านไปลู่แล้วหน้ามันลั่วตรงไหนไปดู บางแปลงมันหน้ามันล้นขึ้นมาเต็มขึ้นมาต้องรั่วจากตัวนั้นไปดูมันก็เห็นจุดอ่นเราก็รู้ที่นาของเราชํานาญที่นาของเราทํานาได้สําเร็จปลูกข้าวได้สําเร็จได้ผลสําเร็จในที่กายที่ใจของเราเนี่ก็ ม, มีเหมือนกันนาศรัทธาเหมือนนาศรัทธาเหมือนนา ความเพียรที่ใส่ใจให้ด้วยเสมอเหมือนน้ําผลถ้านาไม่น่าผลก็มีโอกาสคาดไถ่ปลูกได้สติก็ปลุกไปที่เนื้อนาที่ไม่น่าผลมีความเพียรมีศรัทธาไม่โทษโทษสมาธิก็คือคาดไถเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผีเป็นผูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์หรือว่าสมาธิให้มันเฉพาะเรื่องอย่าปล่อยทิ้ง ตรงไหนที่มันไม่เหมาะก็เปลี่ยนให้มันดีอย่าพัลลงพลหลั ง, ลงบางทีทําความเพียรเนี่ยหมกปุ้นคุณคิดเอายากอาง่ายโทดลองมันใช่มันยังลุกลุ่มหลังอยู่เปลี่ยนใชมันรู้ใช่ก็มีปัญญาเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้หรือว่าปัญญาไปในตัวเสร็จมันจะยากกัอะไรพระเจ้าจึงว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ ตะโกนอยู่ไม่จำกัดการะธรรมเนี่ยผู้ปฏิบัติก็รู้ได้ตัวนันเองเราหลงก็รู้เองเราไม่หลงก็รู้เองเปลี่ยนหลงเป็นรู้ผู้ปฏิบัติเพิ่งเห็นได้เฉพาะตนชวนให้มาดูมาดูมาดูชวนให้มาดู วันเก่ากับผู้อื่นว่าน้อง ม, มาใส่เราดูสิเวลามันหลงน้อมลู้ไปใส่น้อง ม, มาใส่ตัวว่าอะไรท้อข้าต้องเก็บเคยทำตามที่เราว่าไหมหรือว่าเป็นภาษานกแก้วนกขุนทองไปมันก็ไม่มีค่าอะไรก่อนที่เราจะว่าออกมาจากปากมันเกิดจากใจเราเนี่ยจิตใจใจตามหมดไป เหมนกับสมัยก่อนนะไอ้ฟังเทศผู้เจ้ามันซึมซับก็ไปแล้วจึงว่าพุทธังสระนังขจามิธรรมสระนังคัจามิสองขังสระนังคขจา ม, ามิมันจึงมาจากใจก่อนใจสมบัติแล้วจึงอุทานออกมาเป็นภาษาพูดถ้าเป็นภาษาุนแก้วว่าตามเขาไปบอกให้ว่าพุทธโธพุทธโธไปใจไมหรือว่าพุทธโธเลยไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิก บ, บาน อันหังกันหังไปถึงกันตายบอกให้อันหังเขาว่าอัหังอันหังก็หาเต่ห่วยพ่อูปบอกว่าแม่แม่ว่าอัหังอัหังแม่ไปหาแต่หอยอันละหอยอละหอยตายเป็นอย่างนี้จ้ะมันไม่เคยเพไม่ฝึกขัดถ้าไม่ฝึกขัดมันมเป็นหนา ม, มันว่าอะไรมะ เรกว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทำแท้ๆเรามาอยู่แน่อย่าไปทำันอื่นจะกินอะไรจะนอนอยังไงไม่ต้องกลัวหรอกโสตายเลยพวกเราเนาะจะนดเจ้าว่าเขาไม่ป่อยแต่แต่ปีนี้จะนดรอกว่าจะเข้ากรรมฐานไม่ทำอะไรต้องมอบให้คนอื่นทาเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ทุกชีวิตช่วยกันอยากมีส า, าสมัคร ทำงานทางลงทานทำงานทางสำนักงานบ้างพระโฉกขอช่วยกันบ้างอย่าให้แต่ผู้หญิงให้ผู้หญิงก็มีโอกาสปฏิบัติธรรมบ้างอย่าไปใช้ใครเป็นผู้หลับใช้เราให้เรารลับใช้เขาบ้างก็ดีเรียกว่าเสนอตัวเราเหมือนสมัยก่อนพระเจ้าพระสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายเสนอตัวเองอาสาสมัคร บ่พระคุณเจ้าถ้าผ้าจีวังของท่านประสงค์จะย่อมบอกข้าพระเจ้าจะย่อมให้ถ้าผ้ามังขาดบอกข้าพเจ้าจะปะให้ถ้ากติมันรั่วมัมนชุชชมบอกข้าพระเจ้าข้าพเจ้าจะซ่อมแซมให้พระสงค์บางลูกเสนองานการของสงฆ์บางลูกเสนอเป็นนักกุเทศแจ ก, กอาหาร บางรูปเสนอมักุทเทศแจกเสนาสนะบางรูปเสนอมักุเทศรักษาขังแจกสิ่งของเจ้าธิการขังเจ้าธิการเสนาสนะเจ้าอธิการอาหารเจ้าธิการกีโวนมีเหมือนกันสมัยก่อนเสียสละพวกเราต้องใจคงควงอย่าเห็นเฉยตัว ที่อยู่ที่นี่จะช่วยกันอันใรอันหนึนะหลงตาในช่วยไม่ได้แล้วอย่างดีก็ลดน้ำนต้นไม้ให้เออไหนปลูกไปก็ตามไปลดเห็นเถ้ามันเหี่ยวมันแห้งแต่ตัวเองไม่ได้ปลูกแล้วมีแต่เพื่อนปลูกไว้ก็ไปลดให้อัน น, นก็ทำได้อยู่มีความสุขบางวันไปรดทางนี้บางวันไปรดทางนี้เลี้แม่สุกันยาออ่ะหลงพ่อมาเห็นอกเดิน เห็นคุ้งโอ้วันเช้าเรไปเดินรถต้นไม้ทางนี้เลยวันนี้จะไปทางนี้